วันนี้ก็เป็นความสำคัญนะสำหรับชาวพุทธไม่ใช่ใชเฉพาะชาวไทยเท่านั้นนะแต่เรียกว่าสำหรับชาวทุกชาติทุกภาษาที่นับถือพุทธศาสนาความสำคัญก็เป็นที่รู้กันนะว่าเป็นวันที่เป็นวันคล้ายกับวันที่พทธเจ้าได้ ประสูติตัศวรรษปรินิภพานเป็นวันที่ทำให้เราได้ะระลึกถึงพระพุทธองค์ซึ่งทรงบุปัตตขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือสปปรรพสัตว์ให้พ้นจากความทุกข์ถ้าไม่มีพระพุทธองค์ ก, ก็ไม่มี ศาสนาหรือคำสอนที่ตกมาถึงเราทุกวันนี้เป็นศาสนาและคำสอนที่เป็นหลักยึดประจำใจแล้วก็เป็นเครื่องสองสว่างนำทางให้กับชีวิตของเราเพื่อได้เข้าถึงความสุขพ้นจากความทุกข์ เดี๋ยวแล้วก็ตามเนี่ยวันวิสาขบูชาควรจะมีความหมายมากกว่าการที่เตือนให้เรารละลึกนึกถึงพระพุทธองค์และพระคุณของพระองค์ที่พูดเชนนั้นก็เพราะว่าปรากฏการ ทั้งสามประการนะอันเป็นที่มากรของวันภิสากบโบชานคือการประสูติสุรุปนิพพานเนี่ยโดยตัวเองเนี่ยก็สะท้อนหรืออ่าสื่อให้เราได้เห็นธรรมวันนี้เนี่ยนะ ไม่ใช่เป็นวันที่เตือนให้เราเราเลึกทงถึงพระพุทธเท่านั้นแต่ยังสามารถจะน้อมใจเราให้เราเลึกถึงพระธรรมได้พระธรรมที่ว่านี้มีอสองประการประการแรกว่าด้วยความจริงเกี่ยวกับชีวิตคือเมื่อเกิดแล้วนะก็ต้องมีตาย ไม่มีใครที่เกิดแล้วไม่ตายวันพิสาขบูชาในแง่หนึ่งนะก็สะท้อนถึงความจริงข้อนี้เรียกว่าศัจธรรมที่ไม่มีใครหนีพ้นแม้แต่พระพุทธองค์เองนะแม้จะได้ชื่อว่าเป็นขราหวมศาสดารามี คุณสมบัติที่แม้กระทั่งเทวดามารพรมก็พร้อมคำนับแต่ว่าพระองค์ก็ไม่อาจลวงพ้นหลีกนี้ความจริงของชีวิตได้น่ก็คือต้องละโลกนี้ไป ที่เราเรียกปรินิพานอันนี้ก็เป็นข้อเตือนใจเราทุกคนนะว่าเราทุกคนเนี่ยก็ต้องตายไม่ว่าเราจะเป็นใครก็ตามอย่างที่เราได้สวดมนต์กันทุกวันทุกเช้าความเกิดก็เป็นทุกข์นะ และก่อนที่จะถึงความตายก็ต้องมีความแก่ความเจ็บความป่วยนั่นก็เป็นทุกข์และในทรรลองเดียกันความตายก็เป็นทุกข์อย่างไรก็ตามเกิดมาแล้วไม่เป็นทุกข์ก็ได้นะ แก่แต่ไม่เป็นทุกข์ก็ได้นะป่วยแต่ไม่เป็นทุกข์ก็ได้อันนี้พระพุทธองค์ก็เป็นตัวอย่างนะที่ชี้ให้เราเห็นว่าแม้จะแก่นะมันก็เป็นความแก่ของกายสังขาร แต่ว่าใจไม่จำเป็นต้องทุกข์ก็ได้แม้จะป่วยก็ป่วยแต่กายแต่ใจไม่ทุกข์ก็ได้จนกระทั่งแม่จะต้องตายนะก็เป็นแค่สังขารร่างกายที่แตก ต, ต่างไปแต่ว่าใจไม่ทุกข์ก็ได้ที่เป็นเช่นนี้ก็พรพระองค์เนี่ยได้ ทรงค้นพบศัจธรรมซึ่งเป็นเสมือนกุญแจไขไปสู่ประตูแห่งความพ้นทุกข์วันวิสาขาบูชานอกจากจะเป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้ประสูด และปรินิพานแล้วนะก็ยังเป็นวันที่โรงคตัดสรุการตัดสรุของพระ อ, องค์เป็นการประกาศให้มนุษย์ทั้งโลกได้รู้ว่าการหลุดพ้นจากความทุกข์นั้นเป็นไปได้แม้เรา เกิดมาแล้วเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องป่วยต้องตายแต่ว่าเราสามารถจะเป็นอิสระจากความทุกขานั้นได้อิสระทั้งในความหมายที่ว่าแม่แก่แม่ป่วยแม่เจ็บแม่ตายแต่ว่าใจไม่ทุกข์ ในส่วนในความหมายที่สองคือว่าไม่ต้องเกิดอีกต่อไปเพราะฉะนั้นความแก่ความเจ็บความป่วยและความตายก็เป็นอันไม่เกิดขึ้นนะความทุกข์จำเป็นศัจธรรมนะที่ไม่มีใครหนีพ้น แต่ถ้าหากว่าเรารู้แจ้งในสัจธรรมความทุกข์นั้นเนี่ยก็ไม่อาจบีบคั้นจิตใจเราได้ต่อไปมันบีบคั้นได้แต่กายแต่ว่าไม่สามารถทำใจให้เป็นทุกข์ได้ อันนี้คือความหมายหรือนัยยะประการที่สองนะของวันวิสาขบูชามาเป็นการชี้ให้เราตระหนักว่าเราทุกคนมีความสามารถที่จะพ้นทุกข์ได้ และการพ้นทุกข์นั้นเนี่ยก็เกิดขึ้นจากการที่มีปัญญาเห็นแจ้งในสัจธรรมสัจธรรมที่ว่านั้นเนี่ยคืออะไรนะก็คือการเห็นความจริงว่าสังขารทั้งปวงนั้นมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์ มันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนหรือพูดง่ายกเขาคือว่ามันไม่คงที่ไม่คงทนแล้วก็ไม่ใช่ตัวหรือไม่มีตัวความจริงสามประการนี้แหละนะที่มันอยู่เบื้องหลังปรากฏการ ที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ทุกคนก็คือเกิดแก่เจ็บพัดพรากแล้วก็ตายในสมัยพุทธกาลหรือก่อนหน้า น, นั้นเนี่ยใครๆก็รู้นะว่าเกิดมาแล้วเนี่ยมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย ต้องพัดพราดแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรทำไมพระพุทธองค์เป็นคนแรกนะที่พบว่ามันเป็นเพราะทุกสิ่งทั้งปวงเนี่ยตกอยู่ภายใต้กฎพระไตรลักษณ์นะอันนี้จางทุกขังอนัตตา และเมื่อเข้าใจความจริงนั้นเนี่ยอย่างแจ่มแจ้งสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือจิตก็หลุดพ้นจากความยึดมั่นถือมั่นความยึดมั่นถือมั่นเนี่ยมันเป็นที่มาของความทุกข์ไม่ใช่ทุกกายนะแต่ทุกใจทุกกายเนี่ยมันเป็นธรรมดาเป็นธรรมดาของสังขาร แต่ถ้าไม่ยึดมั่นถือมั่นนะกับสังขารไม่ว่านอกตัวหรือในตัวนอกตัวก็อาจจะได้แก่ทรัพย์สมบัติคนรักของหัวของรักนะส่วนในตัวก็ก็คือกายกับใจนี่แหละถ้าไม่ยึดมั่นถือมั่นกับมันแม้มันจะเสื่อมสลายไปก็ไม่ทำให้ทุกข์ใจได้ เมื่อป่วยก็ป่วยแต่กายนะแต่ว่าใจไม่ป่วยใจไม่ทุกข์เพราะว่ารู้ตั้งแต่แรกแล้วว่ามันไม่เที่ยงนะมันเป็นทุกข์มันต้องเสื่อมต้องสลายและที่เป็นเช่นนั้นเพราะว่ามันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนหรือมันไม่มีตัวตนที่เป็นของมันเอง สิ่งทั้งปวงเป็นทุกข์กระจริงนะแต่ถ้าเราไม่ยึดมั่ถือมั่นในสิ่งนั้นเนี่ยมันก็ไม่สามารถจะบีบขั้นใจเราให้เป็นทุกข์ได้อันนี้เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกับไฟที่ร้อนแต่ถ้าเราไม่ไปทุกข์มัน เราก็ไม่ทุกมือก็ฐานก้อนแดงๆมันร้อนก็จริงแต่ถ้าเราไม่ถือมันไว้ในมือจะทุกได้ไหมจะเจ็บปวดไหมมือจะพองไหมมันก็ไม่หรือปล่อยมันสักพรกมันก็ดับไปเองนะทานก้อนแดงๆเนี่ยหรือไม่ก็มอดไม่เป็นจุนไป สิ่งทั้งปวงเนี่ยเหมือนของหนักนะพระเจ้าตรัสว่าขันทั้งห้าเป็นของหนักเมื่อภาราเหวเปันจกขันธาแต่ถ้าเราไม่ไปแบกมันจะทุกข์ไหมก้อนหินหนักแค่ไหนใหญ่แค่ไหนถ้ามันกองอยู่บนพื้นเราก็ไม่เดือดร้อนอะไร แต่เป็นเพราะเราไปอุ้มไปแบกมาไว้ต่องหากนะเราจึงทุกข์การตัดสรวมพรเจ้าเนี่ยนะทำให้เรามนุษย์ทั้งหลายเนี่ยได้รู้ว่าที่เป็นทุกข์เนี่ยก็เพราะไปแบกไปยึดสิ่งที่ไม่อาจยึดถือได้นะเพราะว่ามันไม่เที่ยง ไม่ว่าจะเป็นทรัพสมบัติไม่ว่าจะเป็นร่างกายนี้หรือแม้กระทั่งอารมณ์ที่พึงปรารถนาเช่นความสุขนะเรียกว่าสุขโควทนนามันไม่สามารถจะยึดถือได้แต่พอไปยึดถือนั่นแหละมันจึงทุกข์ ถ้าไม่อยากทุกข์คำตอบคือวางมันลงซะจะไปบอกก้อนหินว่าให้เบาเหมือนนุ่นเราสั่งไม่ได้จะบอกฐานก็แดงๆว่านะให้เป็นน้ำแข็งซะเราสั่งไม่ได้น้ำแหลมๆเราสั่งว่าให้มันนะ กลายเป็นกิ่งมนๆมนมนเราสั่งไม่ได้แต่สิ่งที่เราทำได้คือไม่ไปแบกหินนะไม่ไปกรรมฐานเอาไว้แล้วก็ไม่ไปเดินเตะน้ำแหลมแหลม เพราะฉะนั้นการตัดสิ น, น, นสของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะจึงมีความสำคัญมากซึ่งไม่เพียงแต่บอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่พ้นทุกข์แล้วเท่านั้นแต่ยังมีความหมายต่อไปว่าเราก็สามารถพ้นทุกข์ได้เหมือนกัน จะค้นทุกต์ได้อย่างไรนะก็ด้วยการที่เห็นสัจธรรมเกิดปัญญาอย่างแจ่มแจ้งสิ่งที่พระองค้คนพบนั้นเนี่ยก็อยู่ในวิสัยที่เราจะค้นพบได้เหมือนกัน เราชาพูดอย่างก็ต้องเชื่อนะว่าเรามีปัญญาที่สามารถจะเข้าถึงสัจธรรมจนพาจิตออกจากความทุกข์ได้พระพุทธองค์เป็นตัวแทนของมนุษย์ ไม่ใช่ตัวแทนของเทวดาที่มีความสามารถพิเศษเหนือมนุษย์ความสามารถที่พระองค์มีโดยเฉพาะในเรื่องการมีปัญญาเห็นแจ้งในสัจธรรมก็อยู่ในวิสัยที่เราจะทำได้ความจริงข้อนี้แหละที่ทำให้มี พระอริยสงฆ์ตามมาเป็นจนํานวนนับไม่ทวนอริยสงฆ์เนที่พ่อพะอระอรหันเนี่ยท่านก็รู้อย่างเดียวกันกันกบที่พระเจ้ารู้นะีโดยเฉพาะในเรื่องที่เป็นเรื่องของกฎธรรมชาติก็คือพระไตรลักษณ์พระอริยสงสานั้นเนี่ย ครั้งหนึ่งก็เป็นปุตตชนเหมือนอย่างเรา <Okay. S 1> พระอาารันทั้งหลายครั้งหนึ่งก็เป็นปุตตชนเหมือนอย่างเราแต่ว่าท่านก็ทําความเพียรตัวกระทั่งเห็นแจ้งในสัจธรรมเช่นเดียวกับพระพุทธองค์และความเพียร น, นั้นเนี่ยนะก็เป็นความเพียรที่ถูกที่ถูกทางนะ คือถ้าเพียรแต่ไม่ถูกทางก็ไม่บรรลุธรรมนะเหมือนกับเราจะมาเมืองปรากคเนี่ยนะก็ต้องใช้เส้นทางที่ถูกต้องถ้าเดินผิดเส้นทางนะมันก็ไม่ถึงถึงแม้ว่าจะมีรถดี หรือว่าถึงแม้จะมีความเพียนเพียงใดก็ตามมีความเพียนมีการลงมือกระทาแล้วเนี่ยก็ต้องถูกวิธีด้วยและวิธีที่ถูกนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ทรงค้นพบและแสดงให้พวกเราได้รู้ อย่างที่เราได้สาธยายธรรมาจากกักรปตนะสูตรเมื่อสักครู่นี่นะอันนั้นก็คือแผนที่หรือเส้นทางแห่งการพ้นทุกข์ซึ่งมีพระัญญากลทันย ะ, นะเป็นผู้แรกที่พิสูจน์ให้เห็นว่าการตัดสรู้หรือการรู้แจ้งเห็นธรรมจนพ้นทุกนั้นทาได้จริง วันวิสาขวิชาเนี่ยควรจะเป็นวันที่ไม่เพียงแต่จะบอกเราหรือเตือนเราย้ำกับเราว่าการพ้นทุกข์ทำได้จริงเท่านั้นแต่ควรจะกระตุ้นให้เราน้อมนำเอา การพ้นทุกข์นั้นเนี่ยเป็นอุดมคติของชีวิตเป็นจุดหมายของชีวิตชาวพุทธจํานวนมากเนี่ยนอกจากหาก่กางไกลจากอุตมกติที่ว่าแล้วเนี่ยจํานวนไม่น้อยเนี่ยยังไม่รู้ใจสาวัญเนี่ยผู้อุดมคติอย่างนี้มันมีจริง แล้วก็จำนวนมากทีเดียวนะก็ไม่สนใจที่จะเอาการพ้นทุกข์เป็นอุดมคติของชีวิตคือแทนที่จะประพฤติปฏิบัตินับถือศาสนาเพื่อมุ่งการพ้นทุกข์คืนนิพพานจำนวนมากนับถือศาสนาเพียงแค่ให้มีที่พึ่งทางใจ หรือว่าเพราะหวังนะความร่ำรวยหวังได้โชคได้ลาภนะหวังประสบความสำเร็จในการงานหวังให้มีสุขภาพดีมีอายุยืนนานหลายคนมาทำบุญหรือว่ารักษาศีลก็เพื่อให้มีอายุวันนสุขาพลัก เข่าน้นหรือว่ามากกว่านั้นก็คือท่นักสานสมบัตนะิก็ขอให้ร่ำรวยรวยมากๆนะถ้าเรานัถือพุทธศาสนาเพียงเพื่อเท่านี้เนี่ยนะก็ถือว่ายังห่างไกลนะจากความเป็นชาวพุทธที่แท้ แล้วก็ยังถือว่าพวกเราเรยังถือว่าการทำนั้นเนี่ยนั่นมันเป็นความมักน้อยด้วยนะเพราะว่าพุทธศาสนาหรือว่าพระธรรมคำสอนของพระเจ้าเนี่ยสามารถจะให้กับเราเนี่ยได้มากกว่า น, นี้เยอะเลยเพราะว่าอายุวันณะสุขาภละหล่ามนี้มันก็ไม่เที่ยงนะมีอายุยืนนานแค่ไ้ น, นสุขก็ต้องตายวันณะไม่ว่าจะผ่องสายแค่ไห น, น สักวันหนึ่งมันก็ต้องเศร้าหมองสุขภาพไม่ว่าจะดีเพียงใดสักวันหนึ่งมันก็ต้องเสื่อมไปกําลังวังชานะก็ต้องหดหายไปความมั่งมีความร่ำรวยก็ไม่เที่ยงเหมือนกันและขณาที่ยังอยู่ยังมีก็ไม่ใช่ว่าจะทำให้มีความสุข หรือแม้วันหรือแม้ว่ามันจะเพิ่มพูนขึ้นก็อาจจะทุกข์มากขึ้นก็นได้คนทุกวันนี้เนี่ยมีความมั่งมีมีรายได้มากกว่าสมัยก่อนเยอะแต่ว่าแม้ว่าเราจะวัดความร่ำรวยจากจำนวนรถ จำนวนเงินในธนาคารหรือว่ารายได้ประชาชานสิ่งที่มันเกิดขึ้นไปทั่วโลกคือว่ายิ่งมีรายได้มากขึ้นความถูกใจมันก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วยสบายกายก็จริงนะแต่ว่าถูกใจหรือบางทีก็ไม่สบายกายด้วยเพราะว่าพอร่ำรวยมากๆอยู่สบาย กินดีอยู่ดีก็เป็นโรคต่างๆมากมายเดี๋ยวนี้เราคงทราบดีอแล้วว่าคนที่ป่วยเพราะโรคอ้ว น, นมันมีเยอะมากโรคหัวใจโรคความดันโรคหลอดเลือดสมองโรคไตวายเบาหวานพวกนี้มันเป็นผลจากการอยู่ดีกินดนีอาหารแต่ละมื้อนี่มีเนื้อนมไข่เยอะนะ ก็เพราะความร่ำรวยของผู้คนแล้วก็สบายไม่ต้องออกแรงไปไหนมาไหนก็ใช้รถไม่ต้องเดินไอ้ความบ้างมีที่เพิ่มผลขึ้นเนี่ยกลายเป็นว่านอกจากไม่ได้ทําให้ความสุขใจเพิ่มขึ้นกลับทําให้ลดลงแล้วเนี่ยแม้แต่ความสุขกายก็ไม่ใช่ว่าจะมี เสมอไปนะอาจจะป่วยนะเพราะโลกที่สบายเพราะชีวิตที่ผาสุขสบายเกินไปก็ได้ยังถ้าเราปรารถนาอายุวรณสุขภละหรือว่าธนสารสมบัติเนี่ยจากการทำบุญ จากการประพฤติปฏิบัติธรรมหรือว่าจากการนับถือพุทธศาสนาเนี่ยก็ถือว่าเรายังมักน้อยเกินไปเพราะพุทธศาสนาให้เราสามารถจะให้เราได้มากกว่านั้นนั่นคือสามารถจะทำให้เราเนี่ยพบหนทางการพ้นทุกข์ได้ ซึ่งเงินเท่าไหร่ก็ซื้อไม่ได้หรือว่าขนาดที่ยังไม่พ้นทุกข์นะยังไม่เข้าถึงนิพพานแต่ว่าก็ได้รับความสงบใจแค่ความสงบใจอย่างเดียวนี่นะแมจะเป็นความสงบแบบปุทุชนก็มีค่ามีความสำคัญมาก มันกาเป็นสิ่งที่ผู้คนสมัยนี้โหยหาเพราะขาดไปจากชีวิตฝรั่งจำนวนไม่น้อยเลยนะก็มานับถือพุทธศาสนาหรือว่ามาปฏิบัติธรรมในวัดป่าท้านทที่ลำบากแต่เพราะเขาพบความสงบใจ เดี๋ยนี้ชาวพุทธจำนวนไม่น้อยนะในสหรัฐอเมริกาในยุโรปเขาก็มาทำสมาธิภาวนามากขึ้นเพราะเขาได้พบกับความสงบใจหลายคนไม่ใช่เป็นชาวพุทธด้วยซ้ำ แต่มาทำสมาธิภาวนาก็เพราะปรารถนาความสุขที่เป็นความสงบเย็นในจิตใจบางคนยอมเสียเวลายอมเสียเงินนะเป็นจำนวนหมื่นเป็นจำนวนแสนเพื่อที่จะได้มีโอกาสมาภาวนาเพราะเขารู้ว่าชีวิตที่ร่ำรวยนะแต่ถ้าไม่มีความสงบใจ มันก็มีความหมายน้อยลงมันก็ดีอยู่หรอกนะมันดีกว่ายากจนแต่บางครั้งเขาก็พบว่าเออคนที่ยากจนนั้นกลับมีความสงบใจมากกว่าเพราะคนเหล่า น, นั้นเนี่ยได้สมาทานพุทธศาสนา ได้บำเพ็ญตั้งทานศีลภาวนาอย่างหลั่งหลายคนเนี่ยมารู้จักชาวทิเบตชาวทิเบตใ น, ในอินเดียนี่ยากจนมากนะแต่ว่าเขามีสีหน้าเบิกบานนะจิตใจก็แจ่มใสไม่ใช่เฉพาะพระนะแต่ว่าคนทั่วไป ก็ทำให้เขาเกิดความสนใจพุทธศาสนาขึ้นมาหันมาปฏิบัติธรรมนะหันมาเจริญสมาธิภาวนาบางคนก็ไปถึงธรรมศาลาเพราะอะไรเพราะเขาปรารถนาความสงบใจแต่ก็อย่างที่บอกว่านาว่าพุทธศาสนาเนี่ยสามารถจะให้ได้มากกว่า น, นั้น มันไม่ใช่แค่ความสงบใจชั่วคราวไม่ใช่เพราะว่าสงบใจจากการทำสมาธิครึ่งชั่วโมงถึงชั่วโมงแต่เป็นความสงบที่ยั่งยืนเที่ยงแท้และนี่คือสิ่งที่เราทุกคนเนี่ยนะจะสามารถเข้าถึงได้ คือสงบเพราะรู้แจ้งเห็นจริงในศสัจธรรมจนหลุดพ้นจากความทุกข์ได้แม้ยังเจ็บหรือแม้จะต้องเจ็บแม้จะต้องปวดก็เจ็บปวดแต่กายแ ต, แต่ใจไม่ปวดไม่ทุกข์ด้วยเพราะว่าจิตนั้นเนี่ยไม่ได้ยึดถือในกายนี้ว่าเป็นเราเป็นของเรา แม้กระทั่งเวลากายปวดเนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกว่าฉันปวดด้วยซ้ำเพราะรู้ว่าตัวฉันไม่มีคนธรรมดาเนี่ยเวลากายปวดหรือว่ากายเมื่อยมันก็จะมีความสําคัญบ้านไหมอันหนึ่งซ้อนทุกเวาว่าฉันปวดฉันเมื่อยซึ่งก็เท่ากับไปบีบคั้นใจให้เป็นทุกข์แต่เมื่อรู้แจ้ง ในสัจธรรมจนเห็นความจริงเรื่องอนัตตาว่าไม่มีอะไรที่เป็นตัวตนไม่มีอะไรที่จะทิว่าเป็นเราเป็นของเราได้ความสำคัญบานหมายว่าตัวฉันก็ไม่มีเพราะฉะนั้นเมื่อปวดนะมันก็เป็นแต่กายที่ปวดแต่ฉันไม่ได้ปวดด้วย เมื่อทรัพสมบัตินะถูกทําลายไปหรือเสื่อมสลายไปใจก็ไม่ได้ทุกข์เพราะไม่ได้ไปยึดว่ามันเป็นของฉันหรือแม้กระทั่งคนรักนะพ่อแม่ลูกเกิดเมียนเป็นไปซึ่งเป็นธรรมดาจะป่วยหรือตายก็แล้วแต่ใจก็ไม่ได้ทุกข์เพราะไม่ได้ไปยึดว่าเป็นของฉันก็ รู้ว่าเป็นของฉันโดยสมมุติสมมุติว่าเป็นลูกสมมุติเป็นพ่อของฉันลูกของฉันแต่ว่าใจไม่ได้เกาะเกี่ยวเพราะรู้ว่านั้นเป็นแค่สมมติเพราะฉะนั้นเนี่ยนะก็เลยใจไม่เป็นทุกข์ด้วยแม้ว่ากายก็ดีหรือว่า ทรัพย์สมบัติก็ดีคนที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์ด้วยก็ดีจะมีอันเป็นไปตามกฎพระไตรลักษณ์แต่ว่าใจไม่ทุกข์อันนี้ก็นำมาซึ่งความสงบเย็นอย่างแท้จริงแลชาวพุทธเนี่ยนะเมื่อมาสมาทานนับถือพระรัตนตรัยเป็นสารณะ คือเอาพระ เ, เจ้าเป็นศั์สดาและเรียกตัวว่าเป็นชาวพุทธนะก็ควรพยายามที่จะไปให้ถึงจุดนั้นให้ได้หรืออย่างนน้อยเนี่ยก็น้อมนำเอาพระนิพพานเป็นจุดหมายของชีวิตนะเวลาให้ทานรักษาศีลหรือทําบุญก็ ก็มุ่งที่พระนิพพานมุ่งที่การลดละความยึดติดในตัวตนอย่างที่บทกรดน้ำเนี่ยนะบกรดน้ำที่บทกรดน้ำตอนเย็นอีมินาเนี่ยนะซึ่งแปลเป็นไทยว่าด้วยบุญนี้ที่เราทำด้วยบุญนี้ที่อุทิศให้นะเราพร้อได้ซึ่งการตัดตัวตัอุปาทานสิ่งชั่วในดวงใจ กว่าจะถึงนิพพานเมื่อลายสิ้นจากสันดานทุกๆพบที่เราเกิดนะคือถ้าพบนี้ยังตัดไม่ได้ก็อย่างน้อยพบหน้าพบต่อไปอันนี้ก็เรียกว่าเป็นปณิธาของชาวพุทธนะว่าไม่ว่าทุกครั้งที่ทำความดีบาเพ็บุญกิริยาทานศีลภาวนา ก็จะมุ่งที่การตักตัวตัณหาอุปาทานล ด, ดละขจัดสิ่งชั่วในดวงใจก็คืออนุสัยอาสวะกิเลสจนก่อนจะถึงนิพพานไม่ได้มุ่งว่าขอให้ร่ำรวยขอให้หายป่วยขอให้มีชื่อเสียงนะอันนั้นมันมันเล็กน้อยเกินไป แล้วก็ไม่ใช่เป็นความสุขที่แท้ด้วยเป็นชาวพุทธทั้งทีนะก็ขอให้มีปฏิธานตรงนี้นะก็คือการตัดตัวตัหาอุปท า, านสิ่งชั่วในดวงใจกว่าเราจะถึงนิพพานใ น, นวันวิสาขาบูชาเนี่ยควรจะเป็นควรจะมีความหมายในทางเตือนใจให้เราเราลึกนึกถึงดวงกติข้อนี้ และขณะเดียวกันก็ระลึกถึงความจริงที่ว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นสัจธรรมที่ไม่มีใครหนีพ้นแต่ถึงแม้ไม่หนีพ้นไม่ได้แต่ก็สามารถจะยกจิตไม่ให้เป็นทุกข์เพราะมันได้นะยิ่งบำเพ็ญเพียรจนเข้าถึงพระนิพพาน ก็ยิ่งเป็นอิสระจากสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงในวันวิสาขบูชานี้ก็ขอให้เราเระลึกถึงทั้งศัจธรรมความจริงที่เราต้องประสบและน้อมใจระลึกนึกถึงอุ ด, ดมคติของชาวพุทธที่มีพระ เ, เจ้าทรงเป็นแบบอย่างแล้วก็ตั้งปณิธานว่าเนี่ยเรา จะมีนิพพานนะเป็นอุดมคติของชีวิตและจะทำความเพียรเพื่อที่จะไปถึงจุดนั้นให้ได้นะไม่พบใดก็พบหนึ่งหรือถ้าให้ดีก็พบนี้ปัจจุบันชาติเลยอ่ะก็ขอสมควรแก่เวลาแล้วก็ขออจุติจะเพียงเท่านี้ <c oughs>